حيث لا يشعرون أو يخذهم ف تقلبيهم أو ي خ ذ ه م في تقلبيهم فما هم ل م ع ج ز ي أو يأخذهما لتخوف فإن ربكم ل َ ر ا ف ٌ رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضلله وما يضل فلا هدي له شدوا الله لله لا شريك له وأشهد ا ن محمدا عبده ورسوله الله مصل على محمد وعلى آله و ص ح ا ب ه ومن تبعهم بإحسان อีล يوم الدين รับช رح ลี صدر ิ ويسر لى أمرى وحد الاعبدة من لساني يفقه قولي اللهم ما um بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وبك نحيا وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني و أ ن وأنا على عهدك ووعدك مستحق أبو ألك ب ن ع م ت ك عليا وأبو بذنبي فغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من شر ما صنعت سلام عليكم رحمة الله وبركاته خبؤن الله سبحانه وتعالى في الله يراد ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้นอนหลับไปคําว่านอนหลับไปนี่เป็นคําอธิบายจะ ต, ตามศัพท์จริงๆก็คือหลังจากที่อัลลอฮ์ให้เราตายแล้วก็ให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหวูวาจาละที่เราได้ที่อัลลอฮ์ให้ให้โอกาส ให้เราได้นั่งทบทวนอัลกุรอานวันนี้มาถึงสูรอ้อนนาลอันนหลูเนี่ยแปลว่าพึ่งในตัวพึ่งเนี่ยมีประโยชน์เยอะมีอยู่สัตสัตที่อยู่บนโลกดุนยาบรนี่ที่ทำอันตรายกับคนเนี่ยอลัลลอฮจะให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ยฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและให้ไปอยู่ในนรก เพื่อที่จะมาเล่นงานมากัดมาทำลายมารังแกมารบ ก, กวนคนชาวนรกอีกแต่มีสัตว์อยู่ประเภทเดียวอันน่ารูไแปลว่าตัวพึ่งนี่แหละอัลลอฮจะไม่ให้เข้าไปอยู่ในนรกอีกขอบคุณอัลลอฮนะครับที่เราได้ เสียเวลาหรือว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์หลังจากนมาสซบก็คืออาทิตย์ละครั้งประมาณชั่วโมงหนึ่งทบทวนอัลกุรอานนะครับแล้วก็เอาความหมายจากอัลกุรอานมาอธิบายเรียกว่าตะดับบุรเรียกในภาษาเราว่าตะดับบุรแปลว่าพินิษพิจารณา อัลลอฮ์เนี่ยสั่งให้เราเนี่ยพินิษ์พิจารณาดูความหมายของอัลกุรอานชี่อัลล์กล่าวว่าอลยตดบบรูนอ mm ัล hmm. กุรอานพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาดูอัลกุรอานบ้างหรือทีนี้คาว่าตดับบรูกุรอานเนี่ยหมายถึงรู้ความหมายของมั น, นแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคาเนี่ย อัลลอฮฺอธิบายว่าอย่างไงแล้วก็นบีมาสาธยายมาตัฟซีดอ ย, ย่างไงบรรดาสัฮาบะนบีอธิบา ย, ายงงอนนี้อย่างไรอาเลมอัลมะหพวกซาลั์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นครอบครัวของนบีทั้งหมดที่อธิบายกุรานเนี่ยที่ตัฟซีคุรานมีใครบ้างมี ท่น علي, านลีอธิบายคุรานดีอิบนอับบาสในญาตินบีทั้งหมดแล้วก็ลูกของท่าน阿ลอีกสองคนคือฮัสซันกับฮุเซนและอีกคนหนึ่งจาฟาร์อัลบาคีอัลบาีจาฟรุลบาคีเนี่ยเป็นครอบครัว น, นบีทั้งหมดคนเ่านี้เป็นเออและว嘛 เป็นชาวซาลฟในยุคแรกฉะนั้นเราจะอธิบายคุณอ่านเนี่ยต้องอาศัยอุลมามะยุคแรกอธิบายเพราะว่าเป็นการอาธิบายที่นบีรับรองและอัลลอฮ์พอใจส่วนอุลมามะในยุคหลังๆเนี่ยเราก็มองมองดูแต่ให้เอาคําตัดสินว่าอุลมามะยุคไหนเอายุคต้นๆเนี่ยอธิบายนะแล้วก็เอา เนื้อความของเขามาอธิบายต่อวันนี้เรามาอ่านกุรานกันอายะที่42เนื่องจากอายะอายะที่แล้วเนี่ยพูดเรื่องการอพยยบเรื่องอพยยบนะอัลวัลดีนะฮะจรุฟิลลตรงนี้อธิบายยังไงแท้จริงผู้ที่อพยยบ ฟินละไปวันใน혼ทางของอัลลอฮ์อพยพในหนทางของ AH. อัลลอฮ์ AH เนี่ยอธิบายยังไงอ่ะก็อพยพไปเพื่ออัลลอฮ์ถึงจะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์บนโลกอาขีรอแต่บรรดาอุลามายังอธิบายดีนะในตับซีดปูร์ตูบีนอธิบายบอกว่า การอบพยพกับตัดกูร์วาตอนตัดกูร์วาตอนมากันทิ้งทิ้งบ้านเมืองตัวเองการอบพยพเนี่ยไม่เหมือนกันแต่นี้การทิ้งบ้านตัวเองเนี่ยมันมีอยู่หกรายการถ้าทำเพื่อเอาล้อมีผลบุญหมดเช่นอะไรบ้างหนีจากบ้านประเทศที่มีแต่คนกาเฟสอยู่ เราอพยพทิ้งเมืองไทยยกตัวอย่างเราเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยไม่ได้มีแต่คนกาเฟส ท, ทั้งหมดกลัวว่าถ้าอยู่แล้วอิสลามเสียแน่อพยพไปอยู่ที่อื่นนั่นก็เรียกว่าเป็นการอพยพบันทันประการที่สองทิ้งจากประเทศที่มีจะบินอาั้งหมดเลยทำเรื่องบินอาบิดอาบินอบินอา ตัวเองอยู่ไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวทำให้ตัวเองต้องทำเรื่องชั่วๆอีกก็เลยย้ายอันที่สามนี้จากประเทศที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่โรคระบาดเยอะอา้าวก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นอันที่สี่ถูกรังแกถูกรังแก เช่นนบีอิบราฮีมาลายิสลามที่แรกอยู่ในประเทศอิรักอยู่ไม่ได้ท่านก็เลยอพยพไปอยู่ประเทศประเทศชามท่านพูดว่าอินนีมูฮาจิรุนอีลาโรบบีฉันเนี่ยจะอพยพไปหาประผู้อภิบาลของฉันใ น, น, น, นอันที่สีอันที่ห้า อพยพไปเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของตัวเองเ <c oughs> นี่ยอนุญาตที่อพยพได้หมดแต่การเดินทางนั้นพูดอพยพนะอพยพไปอยู่ที่อื่นเลยนะส่วนการเดินทางเนี่ยอัสซาฟรการซาฟัดการเดินทางเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด9รายการเดินทางเดินทางหนึ่ง เดินทางเพื่อไอ้บล้อไปอะไระดูมรคลูกของอัลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل าเรียกว่าเดินทางอ่านเดินทางไปไปดูสิ่งที่อัลลอสร้างเอาไว้อย่างไปดูที่ที่อัลลอได้ทำลายอย่างเช่นประเทศใดนะจอแดนที่เดซีอย่างเงี้ยเอาสัฟัดได้การเดินทาง อันที่สองเดินทางเพื่อไปแสวงหาริสกีของอัลลอฮ์นี่ก็มีมีผลบุญท่านเนียดดีนะประกาศที่สามเดินทางเพื่อไปทำฮัตเนียดดีหมดเลยนะเนียดดีอันที่อันที่สี่เดินทางเพื่อไปหาทรัย์ สมบัติให้เพิ่มมากกว่าเก่าเรียสดาดูอัมวาลันไปหาทรัพย์คือเงินมันมีอยู่แล้วเนี่ยต้องเดินทางไปหาริสกีให้เพิ่มมากกว่าเก่าเพื่อเอาริสกีนั้นมาดูแลา ง, งานศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัลลออย่างค้าขายในประเทศไทยมันก็ค้าขายได้แต่ถ้าเดินทางไป โลกอาหรับบ้างเอาสินค้าของไทยไปขายได้เงินมากกว่าก็อนุญาตให้ไปได้แต่ต้องเอาเงินเหล่านั้นมาดูแล ง, งานศาสนาของอัลลอฮ์ถึงจะมีผ ล, ลบุญอันที่ห้าสัฟัดเพื่อไปสแสวงหาวิชาความรู้นี่อย่างพวกนักเรียนเนี่ยจะมาเรียนหนังสืออยู่ที่ศาสนาธรรมหรือว่าลูกลหลานที่ ไปอยู่ในประเทศอินเดียไปอยู่ในปากีสถานไปอยู่ในเซาทแอฟริกาไปอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยไปเป็นปีๆมาได้กลับบ้านแตบางคนก็6ปีเจดปีไม่กลับเลยก็มีออกจากบ้านไปเพื่ออะไรนะเพื่อไปแสวงหาวิชาความรู้ข้อที่7แสวงเดินทางเพื่อไปเยี่ยมสามมัสยิด ตั้งใจไปเยี่ยมสามัสยิดหนึ่งในสามัสยิดก็ได้เช่นมัสยิดอัลฮารอมสองมัสยิดนาบ awi สามมัสยิดอัลอักซอถ้าจะไปเยี่ยมมัสยิดนะอนุญาตให้สามัสยิดเท่านั้นจะมาเยี่ยมมัสยิดของเคสได้ไว้อย่าไปนึกอย่าไปเนียดเพราะนบีสั่งวันสามเท่านั้นแหละพยายามเนียดตรงนั้นอดีข้อที่แปดสะฟัดเพื่ออะไรนะ เพื่อไปทําสงครามไปตจไปอยู่ตามชายแดนเนี่ยเดินทางไปอยู่ตามชายแดนไปปกป้องชายแดนประเทศที่เป็นมุสลิมแล้วก็ถูกรังแกดูศัตรูเนี่ยตรงนั้นเราไปได้ดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อที่9ข้อสุดทา้ายซาฟตร์ลิซิยารรติลอากอริบเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยียนญาติของเรา นะครับเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยียน ญ, ญ, ญาติของเราแล้วก็เดินทางเนี่ยไปทำงานศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูนาลาทั้งหมดมีกี่ข้อทั้งหมดเนี่ยก้าข้อหรือสิบข้อเ้าข้อเกข้อทั้งหมดเอาละครับสรุปสั้นๆในการเดินทางทั้งหมดหรือในการทิ้งบ้านตัวเองไปอยู่ในที่อื่นนั้นต้องทำแบบไหน อัลลอฮนนซอบารูดันบันดาผู้ที่ออกจากบ้านของเขาแต่ละครั้งจะเป็นหกรายการหรือเก้ารายการอะไรก็ตามนะแล้วก็ออกด้วยใจบริสุทธิ์ถึงท่านนาบีอัลลอฮกล่าวว่าอย่างนี้เวลาออกจากบ้านเนี่ยอย่าออกเหมือนคนกาเฟรคนกาเฟรออกจากบ้านโรยไม่เหนียดอะไรเหนียดไปทำลายอะไรนะ ทำลายอิสลามาทำลายมุสลิมอย่าออกนั่นละเป็การออกจากบ้านที่เ้าเรียกว่าตะ ก, กั บ, บุตรเยอหยิ่งจองหองอย่าออกหลักการที่สองเหนียดเหมือนกันออกจากบ้านนะเนียดเพื่อไปไปทำซีนาออกจากบ้านเพื่อกิกไม่ใช่ภรรยานะคูนอนคูนอนนั่นละเป็การออกจากบ้าน ที่อัลลอฮ์โกรธมากเลยแต่เวลาอัลลอฮ์โกรธเนี่ยเรายังไม่รีบลงโทษเรานะประวิงเวลาเอาไว้เพื่ออะไรนะเพื่อเพิ่มการลงโทษหรือไม่ก็เพื่ออะไรนะเพื่อให้เขาได้ตอบบาตัวต่ออัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้อยู่มากทีลุลลอฮอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้เพื่ออะไรนะเพื่อการลงโทษให้หนักกว่าเก่าหรือไม่ก็เป็นการ ให้เขาได้ตอบบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุ์อาลลอฮอัลลซินอบารูอัลลอ์ต้องการจะอธิบายบอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยจงบอกกับคนเหล่านั้นให้คนที่โอพยบ พ, พวกซวราบ้า น, นาบีที่โอพยบจากมักกะหรือจะไปสแสวงหาริสกีของอัลลอ์หรือจะไปสแสวงหาความรู้หรือจะออกจากบ้านเพื่อไปทำพัดหรือไปทำงานาศาสนาดาว่าอิลอลลอฮ ต้องอดทนต้องใช้ความอดทนทําให้อดทนนะทํางานไม่สําเร็จต้องอดทนทั้งหมดเมื่ออดทนแล้วคําว่าอดทนเนี่ยมันมีอยู่สามรายการนะหนึ่งอดทนในการทําความดีสองอดทนไม่ทําความชั่วสมอดทนต่อมุซีบะความเดือดร้อนที่มาประสบกับ กับเราเองอดทนนะแบ่งออกเป็นสามรายการนะอดทนในการทําความดีอย่างนี้มานั่งฟังตัมเซกันอยู่เนี่ยนับลั บ, ลบตื่น ต, นตืนก็มีบางทีก็หลับไม่รู้เรื่องเลยคนสอนอะไรไม่รู้นั่งเป็นพิธีจานอะไดีๆบังคับให้นั่งเลยต้องนั่งนั่งหลับหับตื่นตื่ น, นมีไหมก็ต้องอดทน แล้วก็อดทนไม่ทําความชั่วอ่าอดทนไม่ทําความชั่วเดี๋ยวเต้าซีจบแล้วนะ่ะวันนี้จะไม่สูบุรีละเลิกละบุรีเลิกนี่ก็ต้องอดทนเหมือนกันหันเปรี้ยวปากเหมนอนกันละ่ะแล้วก็อดอดทนเมื่อมีมุซีบ้าเมื่อความเดือดร้อนเข้ามาหาเราเนี่ยเจ็บไข้เดยป่วยไม่สบายถูกดา่าถูกตำหนิถูกต่อว่าต้องอดทนหมด ฉะนั้นอัลลอฮาลลก็เลยชมบอกว่าอัลลอีนับซอบารูแท้จริงคนที่อดทนแล้วก็วาลาบีหิมยาตะวักลูและพวกเขาเนี่ยไว้วางใจในพระผู้อภิบาลของเขาไว้วางใจคำว่าตะวักกลเนี่ยตะวักกุลเนี่ยไม่ใช่มอบโดยไม่ได้ ดูแลให้ดีต้องดูแลให้ดีก่อนแล้วก็มอบหมายที่หลังเอาเช่นขับรถมาเนี่ยมาจอดหน้ามัสยิดเนี่ยคนจูกุญแจก็ไม่ได้ใคร <c oughs> เปิดไฟก็ไม่ได้ปิดเครื่องก็ไม่ได้ปิดฉันตะวักกันต่ออัลลอฮ์เพราะว่ามาจอดหน้ามัสยิดแล้วรถต้องดูแลให้ฉันด้วยนั่นไม่เรียกว่าตะวักกุลนั่นไม่เรียกว่ามอบหมาย มอบหมายต้องดับเครื่องให้เรียบรอ้อยดับโคมดับไฟแล้วก็อย่าไปจอดขวางทางเขาด้วยจวเพป็นกระดาษใช่ไหยต้องรู้จักวิธีการรักษาดูแลแล้วก็มอบหมายตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาอัลละอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอัลลอฮฺสั่งให้เราเนี่ยเป็นคนที่มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์นะมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์เอาต่อมาครับ อายาที่สี่สิว่มาอัลสลนะมิงกับลิกาอิลลาริจารนว่มาอัลสลนะมิงกับลิกาอิลลาริจารอายานี้ต้องการจะบอกว่าอัลล์เนี่ยเลือกนะเลือกนบีเลือกคนคนหนึ่งไม่ใช่ผู้หญิงด้วยเลือกผู้ชาย มาใช่เลือกผู้หญิงนะเลือกผู้ชายให้มาเป็นรอซูนมาเป็นผู้นำทำไมต้องลงอายานี้วามาอัลสลามิงกอบลิกะอิลลาริยาลและเราไม่ได้ส่งผู้ใดก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดเว้นแต่เป็นผู้ชายเป็นบุรุษที่เราได้วะฮีนูฮีอิลัยฮิมที่เราได้วะฮี ได้ให้ความรู้ที่สะอาดจากอัลลอ์ผ่านยิบรีนมาให้นบีคนต่างๆก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดที่ใส่ว่าริจาลันเนี่ยแปลว่าผู้ชายหรือว่าบรรบุรุษเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนมุสลิกในนครมักกะวันนั้นวันที่อัลลอ์อลประทานอาญาณีมาเนี่ยพวกนี้มันต่อต้านมุฮัมมัดคุณเนี่ยไม่ใช่นบี ถ้าหากนาบีเนี่ยมันต้องรวยแบบใครอะคือแบบแบบเดียว ก, กันกับคนในปัจจุบันนี้นะถ้าผู้นำรวยๆเนี่ยมันน่าเชื่อถือใช่ไหมมีรถบงังมีที่ดินเยอะๆมีเงินมากๆแม่มันน่าเชื่อถือแล้วก็คุณเนี่ยจนๆจะมาเป็นผู้นำกันได้ยังไงคือค้านทุกวิถีทาง อะไรที่นบี ม, มูฮัมหมัดที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ย้านหมดแล้วก็พูดอีกอย่าส่งผู้หญิงมานะถ้าเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายฉันก็รับไม่ได้เหมือนกันอัลลอฮ์ต้องการที่จะบอกพวกนี้ที่ฉันส่งมาเนี่ยเป็นผู้ชายนะแล้วก็มาใช่มล า, ายิกาด้วยถ้าส่งมล า, ายิกาลงมาสอนสาศาสนาพวกนี้มันก็เทียงอีกเอาสิเอาเอ า, เอ า, เอามล า, ายิกาลงมาแล้วมันเป็นคน ต่อเอาคนที่มาสอนอย่าเอามาลายิกาคือมันคานคานคานคานไหมดอัลลอฮ์ก็เลยเล่าให้หมดฟังว่าเราเนี่ยไม่ได้ส่งคนใดมาในโลกนี้นะนอกจากเป็นผู้ชายแล้วเราก็ได้ประทานอะไรนะให้ความรู้ผ่านกับคนเหล่านั้นมาสอนศาสนาโนฮีไลฮิมเราได้ประทานเราได้วะฮีให้แก่พวกเขาเหล่านั้น ฟ, ฟัสอารูอลัลลิครดังนั้นท่านทั้งหลายจงถามอลัลละซิคริผู้ที่มีความรู้ให้ถามคนที่มีวิชาความรู้อญญายานีตอวการจะบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในคัมภีร์กุรอาณเนี่ยสอนทุกเรื่องจริงหรือสอนเรื่องทำขนมปังเปล่า สอนเรื่องทำน้ําปลาเปล่าสอนเรื่องทําบูดูเปล่าเขาบอกกุนอ่านสอนสอนทุกเรื่องนั่นแหละกุนอานสองทุกเรื่องแบบอา้อาวอ้อาวเขาาอ้าวสอนวิธีทําขนมปังทำทำไงนี่ยอุลมกะก็อธิบายอย่างนี้ฟสซาลูอัลลัซิกริท่านทั้งหลายจงถามคนพูนคนที่มีวิชาความรู้ถ้าท่านอิงกุนตุมและตา ล, ละมูนถ้าท่านไม่รู้เนี่ยให้ถามคนที่รู้ ก็เรียกคนที่ทําขนมปังมามาสอนเราเนี่ยไงคำตอบมันอยู่ตรงนี้ที่ว่าสอนทุกเรื่องน่ะเรื่องอย่างนี้ไม่จะสอนวิธีทํำขนมปังในคำีกรุรอานแต่ให้เราไปถามคนที่มีวิชาความรู้ในเรื่องนั้นๆในกุรอานสอนเรื่องคอมพิวเตอร์แบบบอกสอน อ, อธิบายยังไงก็นี่ไงฟัสอาลูอัลดซิกริไปหาคนที่เขาอาเลมด้านวิชาคอมพิวเตอร์ แล้วก็เรียกเขามาสอนนี่งานกุรอานสั่งให้เราเรียนหาความรู้จากผู้รู้ถึงศาสนาก็เหมือนกันเอาเราสอนหมดสงนบีมุฮัมมัดมามาสอนฉะนั้นต้องอ่านต้องเรียนตลอดเวลาฟสอาลูอะฮลซิกรท่านทั้งหลายจงอะไรนะจงถามอะฮลุซิกริแปลว่าอะฮลุไลลมีผู้ที่มีวิชาความรู้หรือจะถามอย่างนี้ก็ได้อุลามะอธิบายดีนะ ถามเรื่องมูฮัมหมัดว่ามูฮัมหมัดนี่นะ่ะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์จริงหรือเปล่าให้ไปถามคนอุลามะยิวอุลามะยอฮูดีกับอุลามะคริสเตียนน่ะไปถามเขาพวกนี้นะรู้จักถามว่าในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยอธิบายเรื่องนบีมูฮัมหมัดว่ายังไงเป็นนบีคนสุดท้ายเนี่ยในคัมภีร์ไบเ บ, บิลเตารออธิบายยังไง ให้ไปถามคนเหนะล่านั้นคนเหล่านั้นเะนี่ยรู้จักอัลลอฮ์รู้ดีหมดเลยรู้ว่ามุฮัมมัดเป็นยังไงเป็นลูกหลานของใครจะมาเมื่อไรรู้หมดแต่คนเหล่านี้จะบิดเบือนอานนี้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังเลยนะจะบิดเบือนแล้วก็นายคาบีอกรุรา่าอธิบายอีกอยาลีฟูนะฮุมกามายาริฟูนะอับดุอฮุม คนอัลมาเยฮูดีอุลมานาซอ ร, น, รอนีเนี่ยรู้จักน บ, บีมูฮัมหมัดเหมือนพ่อรู้จักลูกเหมือนพ่อรู้จักลูกทําไมกูอ่านอาลัลลอฮฺแม่พูดว่าเหมือนลูกรู้จักพ่อล่ะลูกไม่รู้จักพอรอ้แต่พ่อสิรู้จักลูกที่ก้นมีฝายไม่รู้หมดแต่ว่าลูกรู้จักรู้ไหมไม่รู้ ฉะนั้นนายในคาเฟ่กูรอ่านพูดดีกามายาฤฟูนะอั บ, บนาอัคุมเหมือนพ่อรู้จักลูกจะไม่พูดว่าเหมือนลูกรู้จักพ่อฉันพ่อพ่ อ, พอเนี่ยเลี้ยงมาแม่ก็เลี้ยงมาอา๋อทองมีไฟเท่ากี่เม็ด ร, รู้ที่ก้นมีไฟกี่เม็ด ร, รู้หมดที่ขาอ่อนมีไยไหมรู้หมดมีอะไรบ้างเนี่ยพ่อรู้ละเอียดแม่รู้ละเอียด อธิบายถึงขนาดนี้ว่าคนยะฮูดีที่เป็นอัลลอฮของศาสนายะฮูดีและนสอรอร์รู้จักนบีมุฮัมมัดดีเหมือนกับลูกพ่อกับลูกพ่อรู้จักลูกยังไงนิสัยเป็นยังไงมารยาทเป็นยังไงถามพ่อรู้จักก็เลี้ยงมาด้วยมือตัวเองแต่ไม่ได้ไม่รู้นี่อลัลลอฮ์อธิบายอย่างนี้เลยแต่วันนี้ลองลองลองไปฐามดูสิมุ ม, มาอีคือใคร บอกไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่นบีอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวรองว่าอัลลอฮ์สั่งนะถ้าอยากจะรู้อะไรให้ไปถามคนที่รู้นี่แหละคือหลักฐานว่าในคัมภีร์กรุรอานมีสอนพิธีทาขนมปังไม้บอกมีนี่ไงฟาสอาลูอัลลักวิคเิอิงกุนตุมและตะละมูนทันทั้งหลายจงไปถามผู้รู้นะครับ ถ้าสูเจ้าไม่รู้นะเอาต่อมาครับถามว่าอัลเลครูเนี่ยคนำะว่าอัลเลครูอย่างเดียวเนี่ยนะอัลลักรีเนี่ยแปลว่าอะไรบางท่านอธิบายว่าอัลเลครูหมาถึงอัลกุรอานคําว่าอัลเลครูเนี่ยคือคนที่รู้อัลกุรอานอย่างดีนั่น บางท่านอธิบายว่าอุลละมอัลมั่เนี่ยเป็นคนที่นำเอาความรู้ของบรรดานาบีเนี่ยมาสอนมาอธิบายคนที่มีความรู้ที่ดีที่สุดอธิบายไปแล้วคือบรรดาซอฮบะของท่านนาบีคนที่รู้ความรู้ที่ดีที่สุดคือบรรดาซอฮบะของท่านนาบี วันนี้เวลาพี่น้องจะตับซีกุรานเนี่ยนะอย่าเอาความรู้ของตัวเองเนี่ยที่มีอยู่บ้างเล็กน้อยมาอธิบายใช้ปัญญาตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามน่แต่ให้หาคำอธิบายจากใครนะจากซาลัฟจากซอฮะบะของท่านนาบีเช่นไซจนาอาลีเนี่ยตัฟซอธิบายไว้มีไม่มี ท่านอิบนอับบาสเนี่ยเป็นญาตินบีเคยตัาซีกุรานเอาไว้มีเอาคนเหล่านี้มาเป็นบรรทัดฐานในการอธิบายอัลกุรอานนะครับอย่าเอาอุลามารุ่นหลังๆเนี่ยมาอธิบายนี่นิ่สูชาบานี่ก็เหมือนกันนี่จะมาละอีกวันเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบอย่างไอ้สิบสิบเอ๊ะ ก็เหลืออีกประมาณ 20, 20ประมาณหวันจะเข้านิสฟูชาบานนะ่ะถ้าวันนิสฟูชาบานเนี่ยในสมสัยซาลาฟเนะ่ยเขาทํายังไงกันสมัยสฮะบานนบีสมสาาัยนบีไม่ได้ทําอะไรเลยนะสมัยสฮะบานนบีไม่ไทําอะไรเลยอิหม่ามชาฟีก็ไม่ได้ทํานิสฟูชาบานไม่ได้ทํา แล้วก็ทั้งสีมัธยบัตเนี่ยไม่รู้จักนิสวูชาบานแล้วก็นิสวงชาบานที่ที่พวกเราทํากันอยู่เนี่ยนะไปอ่านยาซีนสามต้นสามจบอ่านยาซีนสามจทแล้วก็ไปน้ำมาสองละข่าดแล้วก็ขอดูอาต่ออายุถ้ามองกันเผลอๆดีไหมอ่านกูอ่านดีไหมดี ขออุทิดีไหมดีเลี้ยงอาหารดีไหมดีเลี้ยงที่ไหนเลี้ยงที่บ้านของอัลลอฮ์ที่มัสยิดดีไหมดีถามว่าการปฏิบัติแบบนี้นะ่ะนบีเคยทํำไหมนบีไม่ได้ทำํำสา บ, บานนบีคนไหนทําบ้างไม่ได้ทำํำฉะนั้นตาเบียงเอ็นทำไหมไม่ได้ทําตาบียงอตตาเบียงอ็นก็ไม่ได้ทํา นิ s f u s h a b a <ani> เนี่ยรู้ป่าอัลลอฮ์ทำอะไรเนี่ย no อัลลอ์เล่าอัละมะนบีเล่าห้ฟังอัลลอ์งบประมาณประจำปีอัลลอฮ์กำหนดงบประมาณประจำปีของอัลลอฮ์ให้แกโลกใบนี้อธิบายอย่างนี้ nisfu เนี ne, ani, ่ยคืน nisfu s h a นียวัน i s a ah b a n เนี่ยอัลลอ์จะให้กำหนดอย่างนี้อัลลอฮ์จะให้บ่าวของพระองค์ปีนี้เน่เกิดกี่ล้านคน สองจะให้ตายเท่าไหรสามจะให้แต่งงานกี่คนและจะยากันกี่คู่ไปทำฮายีเท่าไรอธิบายไปหมดเลยอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดงบประมาณประจำปีของอัลลอฮ์ سبحانه แลุสัลตานะทีนี้เราเรวยที่เราได้ยินชาวบ้านพูดนะคืนนี้โซชาบานเราไปต่ออายุ ถามว่าการต่ออายุนนี้ที่ท่านนาบีสรนเอาไว้น่ยไม่ใช่อ่านยาซีนสามตนนะไม่ใช่นะการต่ออายุนบีศร อ, อย่างนี้ใครต้องการที่จะให้อายุของเขายืนยาวนะครับแล้วก็มีดิสกีเพิ่มฟันยาซีนรอให้มาหูให้ติดต่อกับเครือญาตินี่ก็ น, นบีสรเอาไว้ฉะนั้นการต่ออายุให้มัน ยาวให้มีริสกีเพิ่มเนี่ยพี่น้องเอาซุน่านะบีมาก็คือติดต่อกับเครือญาติเครือญาติก็คือใครอธิบายยังไงเครือญาติพ่อเราแม่เราลูกเราลูกสะพายเราลูกเขยเราพ่อตาแม่ยายพี่ของพ่อน้องของแม่หรือพี่ของแม่น้องของพ่อนี่เป็นญาติใกล้ชิดกับเราทั้งหมดเลยฉะนั้นอัลลอฮ์ Allah สั่งให้เราเนะี่ย ติดต่อกับเครือญาติไปมาหาสู่กับเครือญาติเยี่ยมเยียนเครือญาติเนี่ยเทวอาจารยนะซาฟัตลีซิยาตัติลอากอริบเดินทางเพื่อไปเยี่ยมญาติเนี่ยไอเราอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันจะออกไปไหนบางทีญาติเราอยู่ที่ต่างจังหวัดมีใช่ไหมน่ะญาติอยู่ต่างประเทศมีไหมมีเดินทางไปเยี่ยมญาติของเราในต่างประเทศเดินทางเยี่ยมญาติของเราไปอยู่ที่อะไรอ่ะ หัดใหญ่สงขาเชียงใหม่เชียงรายไปเยี่ยมเ้าพี่น้องถามว่าเยี่ยมเพื่ออะไรหวังผลแลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่เหล่านี้แหละจะทําให้อายุของเขายืนยาวนี่วิธีการอะไรนะวิธีการต่ออายุให้ยืดยาวเนี่ยด้วยการเยี่ยมเยียนติดต่อกับญาติพี่น้องของเราและขอดูอาให้กับญาติพี่น้องของเราไปพ่ออย่างยิ่งพ่อแม่ของเรานะครับที่ถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วะทําไง ขอนี่ะรับบิกฟิลลีวาลิวาลิดายะวรหัมหุมะคัมมะรบบัยนี่สอีรอนี่นะครับพี่น้องจากนั้นเอาสุนนะของท่านนบีมาจำกับชีวิตนะครับเอาต่อมาครับอ้ที่สี่สินะครับอ๋อหมดยังหมดแล้วสิฟาสลูอัลลาฮิ อิงกุนตุมละตาลมูนฉะนั้นถามว่าชาวสลับเนี่ยเขาทำอะไรก็ให้ถามผู้รู้ที่เขาเข้าใจศาสนานะอ้อที่สี่สิบสี่ครับบิลบัยินาติวาซูบรุรบิลบัยินาตแปลว่าด้วยหลักฐาน พร้อมด้วยนำหลักฐานวัสดุบุและคำพีต่างๆบรรดาเราซุลนที่อัลลอฮ์ส่งมาในโลกนี้เนี่ยนะนำหลักฐานอ่าหลักฐานแล้วก็นำอะไรนะนำเอาคำพีมาจากอัลลอฮ์มาสอนวันนี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้วันนี้เนี่ยนะเราเนี่ย จะเชื่อว่าของนี้นะมาจากอัลลอฮ์หรือไม่เนี่ยถามว่าหลักฐานมีไหมอ่ะอย่างเนี้ยนามาตในเดือนรอมฎอนเนี่ยอีกจะเข้าแล้วนะอีกประมาณยี่สิบวันนะรอมฎอนจะมานี่นามาตารวีห์เนี่ ย, ยหลักฐานที่มาจากนบีจริงๆเนี่ยนบีนามาตยังไงอ่านามาตที่ไหน นมาที่มัสยิดหรือนมาที่บ้านนมากี่รกาตตามสุนนะนบีจริงๆเนี่ยนะเขาถามว่าหลักฐานมีไหมนี่ไงบิลไบญา น, ะะนั้นอัลลอฮ์นี่นะส่งนบีมาแต่ละคนแต่ละคนนี่มาสอนเนี่ยนำเอาหลักฐานที่มาจากอัลลอฮ์ให้มากับนบีแต่ละคนด้วยฉะนั้นเวลาถามน่ถามว่าหลักฐานมีเปล่า เป็ลักฐานมีอย่าง น, างนาบีมุฮัมมัดเนี่ยถ้ายิงอิช่ารายงานเองบอกว่าท่านนาบีเนี่ยนามาฎในเดือนระมาดอนและนอกเดือนระมาดอนไม่เกินสิบอ็ดาะกะอัดนี่หลักฐานนะครับแล้วก็ไม่ต้องบอกว่านาบีน ย, ยืนนานยังไงยืนอ่านนมาตรวีเนี่ยยืนยังไงอย่าไปอย่าไปถามทั้งยาวทั้งนาน รุกว่าก่อนานสู้หยุดก่อนานนี่คือหลักฐานเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราจะปฏิบัติเนี่ยที่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์รับรองต้องมีหลักฐานที่มาจากอัลลอ์สุบฮานาหูอัลอาแนี่อธิบายกันง่ายๆแบบนี้ฉะนั้นบิลไบญีนาตอัลล์งรอซูลมาแต่ละคนแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมีหลักฐานติดตัวมาด้วย อย่างน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยหลักฐานเยอะมากเลยจะทําอะไรถามหลักฐานมีไหมดาลิลมีไหมไบยีนาตมีไหมไบยีนาต์แปลว่าหลักฐานซุบุตหมายถึงคัมภีแต่อะไรก็ตามที่อยู่ในคัมภีร์กุณอ่านคือหลักฐานและอะไรก็ตามที่ท่านนาบีมอาอธิบายนั่นก็คือหลักฐานทั้งหมดนะครับเอมามาใช้ได้ทั้งสองอย่าง กว่าอันนาอิลกะดิกรเราได้ประทานนะครับอิลกะอย่างท่านอย่างนบีมูฮัมมัดนะประทานอะไรอัดดิกรมาจึงอัลกูรอนี่อัลลอฮ์ได้ย้ำนะคือนบีสอนนี่นะไม่เยาชายคว้าใช้ความคิดของตัวเองไม่เคยใช้ความคิดตัวเองฉะนั้นเราเนี่ย สบายใจมั่นใจว่ามั่นใจได้อย่างสบายก็คือว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดนำเอามาสอนนั้นไม่ได้สอนด้วยความรู้ของตัวเองว่ามายั่นจกอานิลฮว่าอินฮุวอินลาวฮยุยูฮาานนบีมุฮัมมัดนั้นไม่พูดตามอารมณ์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาจากริมฝีปากของท่านนาบีนั้นเป็นวาฮีทั้งหมดเลยนี่ไงทำให้เราเนี่ยผู้ ผ, ผู้ผู้ตามเนี่ยมันสบายใจและอัลลอฮ์ก็เตือนสม่ํามเสมอนะอย่าใช้ความคิดในเรื่องของาศาสนาเนี่ยอย่าใช้ความคิดเองอย่าใช้ความรู้ที่มาจากบรรพบุรุษมาเป็นาศาสนาอย่าอย่อย่ อย่ามองว่าคนส่วนใหญ่เขาทำกันแล้วก็นำเอามาปฏิบัติแล้วมอบ็นศาสนาก็อย่าทำอัลลออธิบายไว้ใ น, นกัมภิว์กุรอานทั้งหมดเพราะฉะนั้นต้องการจะบอกว่าให้เราปฏิบัติาศาสนาที่เรียกว่ า, าศาสนาเนี่ยนะต้องนบีมุฮัมมัดนำเอามาบอกแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็หรือไม่ก็สุฮาบะของท่านนาบีนาเอามาปฏิบัติแล้วนบีเห็น นบีไม่ได้ตำหนินั่นก็คือศาสนาเอามาปฏิบัติได้เลยในยุคนี้นะครับอา้าวอ่นเซลน่าอีไลกะดิครเราได้ประทานให้กับนบีมุฮัมมัดคืออัลกุรอานนะครับอธิบายลิตุบบ ย, ยีนาะลินนา่าเพื่อให้นบีเนี่ย นำเอาคุรา น, นี้ไปอธิบายให้กับประชาชน <c oughs> ไปสอนตัวลัทธิศาสนาอิสลามนะเป็นศาสนาที่ต้องอะไรนะต้องตะบลีอ่ต้องดะวะศาสนาอื่นเนี่ยอลัลลอฮ์มันจะสั่งให้ดะวะนะศาสนาอื่นเนี่ยอัลลอฮ์มันจะสั่งให้ดะวะอัลลอฮ์สั่งศาสนาเดียวคือศาสนาของอลัลลอฮ์เนี่ย ต้องเอาศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยไปสอนต่อแล้วก็การสอนต่อจะมีผลบุญไหมผลบุญเยอะมากเลยฉะนั้นเวลาออกจากบ้านเนี่ยให้เนีย่ย่างงี้ฉันจะออกจากบ้านเพื่อไปเชิญชวนผู้คนให้รู้จักอัลลอฮ์ให้ออกห่างจากชิริกเนี่ยปาหมายใหญ่ตรงนี้เลยให้ออกห่างจากชีริกให้ออกห่างจาก การปฏิบัติตามไซตตอนออกจากบ้านอัลลอฮฺอัลบงศางามหมดเลยทุกอิริยาบทที่เราเคลื่อนไหวในพี่น้อง ม, มีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัลลอฮฺแลริตูบายีนาลินนัสเพื่อให้นบีเนี่ยไปได้นะมาอธิบายให้กับประชาชนมานุซีไลไลหิมตามที่เราได้ ถูกประทานนะตามที่ถูกประทานลงมาให้กับเขาเหล่านั้นกุรอานนี่ค่อยๆถูกประทานลงมาทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยไม่ได้ส่งมาพรวดเดียวเป็นเล่มนะไม่ใช่นะมีปัญหาทีแนละ้วก็กุรอานก็ประทานลงมาทีหนึ่งขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรื่องเฮทนิฟัสเล่าบอกเหมือนกันเรื่องประจำเดือนผู้หญิงอะ ก่อนที่กุรอานจะประทานลงมาเนี่ยคนวันนั้นน่ะขาใหญ่รู้ไม้มพวกยาฮูดีใหญ่มันคุมไรตอะไร ห, หมดเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เวลาภรรยามีประจำเดือนเนี่ยสามีอยู่ในบ้านไม่ได้จะกินข้าวโดยกันกับภรรยาที่มีประจำเดือนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเดียวกันไม่ได้ ถูกเนื้อถูกตัวไม่ได้ทำไงเ่ยสามีก็ต้องออกไปอยู่นอกบ้านล้วก็ถามมาว่าประจาเดือนหมดยังจะได้เข้าถามว่าลำบากไหมเนี่ยลำบากแต่นั้นอลัลกุรอานเนี่ยอลัลลอ์ได้ประทานลงมาเพื่อมาปลดล็อกนี่มาปลดล็อกตรงนี้แหละคนยิวนั่นแหละก็ส่งไปส่งผู้ชายคนหนึ่งบอก ไปไปไปถามมูฮัมมัดสิถ้าหากมูฮัมหมัดเป็นนบีจริงน่ะต้องรู้เรื่องประจําเดือนเขาก็ส่งคนไปถามแต่เวลาไปถามมันสั่งเลยนะอย่าไปเรียกมันนบีนะหัวหน้ามันสั่งอะอย่าไปเรียกว่ามูฮัมหมัดเป็นนบีนะเดี๋ยวตามันจะพองให้เรียก ม, มูฮัมมัดอย่างเดียว ม, มูฮัมมัดประจําเดือนว่าไงโอโลเห็นไหมวางแผนนั่นน่ะ แผนทั้งหมดเลยที่ทำนะแผนทำลายนะทาลายนบีทั้งหมดเแล้วพอไปถามมาว่าประจำเดือนยังไงอัลล์ให้ยิบรินลงมาเลยมาสอนยาสอาลูนากะอานิลมะฮบะมีคนมาถามท่านเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนกุลมุฮัมมัดจงตอบฮุวอาาเลือดประจำเดือนนั่นเป็นสิ่งสกกรบกเห็นไหม ฟพระอะไรงยาสาลูนกัอนิลมาฮิดุลฮัวอ่าดฟตซิลุนนี่ซาอฟิลมาฮิดข้อห้ามอยู่อย่างเดียวอย่าเข้าใกล้อย่าร่วมหลับนอนกับภรรยาขณะที่ภรรยามีประจำเดือนแค่นี้จบทำลายอะไรนะทำลายอัตติดาความเชื่อของคนยิวที่บอกว่าอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไม่ได้ คือว่าถูกตัวไม่ได้กินอาหารด้วยกันไม่ได้ลบหมดเลยที่อัลลอ์ห้ามนะห้ามเรื่องเดียวเรื่องอะไรเรื่องหลับนอนกับภรรยานอนอยู่บนเตียงเดียวกันได้ไหมได้หลังคาด้วยนอนอยู่ในห้องได้ไหมได้ถูกตัวได้ไหมได้แต่ห้ามนิกะอย่างเดียวอย่างอื่นทำได้หมดนี่ไงคุณอ่านลงมาอย่างนี้มาปดลอกอะ นั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าหาว่ากุรอานไม่มาเนี่ยวันนี้เราก็เดินตามคนยะฮูดีนั่นแหละใช่ไหมนะพอภรรยามีอะไร่ะประจําเดือนกโอ้มาอยู่นอกบ้านเดี๋ยวนี้มันชอบเลยไปพลาดเรียนเยอะใช่ไหมนี่อัลกุรอานมาแก้ลอกเนี่ยท่านก็ขอบคุณอัลลอฮ์สุภาพนหัวต่างอาลันะครับอ่ะต่อมาครับเวลาอัลลอฮุมจะฟักกะรู เพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้คิดชายปัญญานี่ไงเราอสอนให้เราชายปัญญาให้คิดฉะนั้นด้านศาสนาไม่ต้องไปคิดเพราะมีบุคคลให้รูปแบบไว้แล้วส่วนแง่งของดุนยาคิดไคิดเชิญตามสบายจะสร้างรถยังไงเอาคิดจะหาเงินยังไงเชิญแต่อย่าทำของฮาามว่าแล้วกันเจ้ไหม แต่ด้านศาสนานี่มาต้องไปคิดเพราะว่าอัลลอฮ์แต่งตั้งนบีมามาอธิบายไปหมดแล้วทําตามที่ท่านนาบีสอนอัมดยรีล้จบอานี่ครับอธิบายท่านไปนอป้องไปในอัลกุรอานอธิบายอีกนะครับทว่าทำไมอัลลอฮ์จึงให้ยกนบีมากถึงขนาด น, นี้ แต่งตั้งนบีมาและยกนบีสูงอธิบายอันนี้แห ล, ละลมนุษย์ดีไล่หินวะอันซันนาอีไลกัดิกรยกนบีทาไมเพราะนาบีเนี่ยเป็นบุคคลที่มีมารยาทดีที่สุดอลัลลอเล่าเองนะครับว่านาบีมุฮัมมัดเป็นคนที่มีมารยาทงามที่สุดไม่มีใครจะมีอัคลากเท่ากับอัคลาของนบีมุฮัมมัด มีสอบปะนบีหลายคนอยากจะรู้ว่านาบีเนี่ยมีนิสัยยังไงทํำไงรู้ปะก็ไปถามภรรยาบอกผู้หญิงอาชนบีเนะี่ยมีมีนิสัยยังไงอ่ะอยู่ที่บ้านนะ่ะทําอะไรบ้างนางก็บอกว่าคุณไม่ได้อ่านกลั อ, อ่านเรานี่ผู้หญิงเองนะภรรยานาบีตอบนะ คุณไม่ได้อ่านกุรอ่านหรือในคำพีกุรอ่านคือมารยาทของนบีทั้งหมดอ๋อทำดูลิล่ะสบายใจใช่ไหมเนี่ยเอานาบีกุรอ่านอธิบายยังไงนบีเดินตามกุรอ่านหมดเลยนั่นคืออัครากของท่านนาบีมาพูดถึงเรื่องอัครากนาบีเช่นลุกขึ้นนมาตะหัดยุดยกตัวอย่างนี่นบีทำปะทำ นิสฟาฮูอาวิลคึ่งคืนเอาเกาโกลีลาอธิบายกุณอานลงมายังไงนะนบีปฏิบัติตามอัลกุรอานทั้งหมดเอาอะไรบ้างนาบีถูกรังแกนบีให้อาภายัยนบีแก้แค้นให้อาภายอัยทั้นดูกุรอานนะนั่นคืออัครากุานนาบีทั้งหมดเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ชมนบีมุฮัมมัด ทำไมต้งชมละ่ะเพราะนาบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลที่มีมารยาทงามที่สุดเราก็เรียกร้องพวกเราเองวันนี้ตัวุมเองด้วยนะให้เอาอัคลักของนบีนะ่ยมาใช้เยอะๆอ้ออาวนาบีสั่งอีกอย่าตบทีทภรรยาอย่าด่าภรรยาใช่ไมแล้วก็สั่งให้เราเนี่ยนะนี่นบีสั่งนะ เราให้ภรรยาะแต่งตัวสวยๆใช่ไหมก่อนอยู่ในห้องนอนนยกตัวอย่างเนี้ยแล้วเราต้องแต่งตัวไหมแล้วก็ต้องแต่งด้วยให้จะภรรยาแต่งหรือสามีไม่แต่งได้ไหมไม่ได้สามีก็ต้องแต่งฟันก็ต้องแปรงหนวดเข่าก็ต้องคลิปบ้างไม่ใช่ปล่อยยุ่งรังล้ออกบัติทำมันสะอาดหวีผมนบีสอนนะหวีผมเริ่มกันด้านหนายก่อน ซ้ายซ้ายหรือขวาขวามือก่อนใช่ไหมให้หวีผมด้านขวามือก่อนอ้าวเช่นอะไรวาสิยาบาคาฟพอตฮิลเสื้อผ้าของท่านต้องทำให้สะอาดพูณทนคุณอ่านหมดเลยท่านมุสลิมต้องใส่เสื้อผ้าสะอาดเก่าได้ไหมได้แต่ต้องสะอาดปากก็ต้องสะอาดต้องแปรงฟันต้องสะอาดพี่น้อง วาสิยาบักัปทอิตวรรจจะฟา้าจุรชีวิตที่สะอาดนีต้องอะไรนะไม่ทำชีริกต้องออกห่างจากเรื่องรายสาระทั้งหมดไม่นั่งนินทาชาวบ้านใช่ไหมเนี่ยเป็นอัคลากที่ดีทั้งหมดเลยเราต้องเอาอะไรนะอัคลากเหล่านี้นะมาเก็บไว้ในตัวของเราก็ อ, อยากจะอ่านโราลนี้ะยาอายุัลมุดดสัสเซลมีหกข้อเนี่ยกุมฟะอันเิร นี่อาญานี้นะตื่นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นอันซิดจงไปสอนสอนคนสอนคนดาววัตต์เล็กไปออกไปเอาไปกอที่หนึ่งวารับบากาฟกาเบตให้พูดถึงความยิ่งใหญ่ของข อ, ง อ, งองัลลอฮ์ไอเรานะมมี่ยชมเมียได้ชมลูกได้ทั้งวัน ล, นละคุยไดหมดแหละพอชมอลัลลอฮ์นึกไม่ออกอัลลอฮ์อลัลลอฮ์อะไรนึกไม่ออกแต่ชมลูกนะ่ะชมวันนึงคุยสบานั่งรถจากกรุงเทพใหญ่หาดใหญ่เนี่ย คุยเรื่องลูกเราเนี่ยไม่จบแต่นั้นนั้นเราอธิบายเรื่องอัลลอฮ์หน่ยสิไม่รู้หานาทีหมดภูมิวารอบบกาฟากาบนี่เรื่องที่สองวัสยาบากาฟต้อเฮตใส่เสื้อผ้าให้สะอาดวารุ จ, จิฟ้าจุรไอเรื่องรารสาระออกห่างให้หมดวลาตามนุนตัสตักซิธแล้วก็ทำความดีเนี่ยอย่าหวังรางวัลยุๆ ทำความดีนิดนึงอย่าง น, นมาศุนต์สองรองอัด อ, อ๋อโวหวังนู่นหวังนี่ทําบุญนิดหนึง่งหวังเยอะเหลือเกินอยากใหวังเยอะให้นึกด้วยว่าอัลลอฮฺจะรับหรือเปลา่ามันต้องนึกพี่น้องสาว บ, บ้านนาบีทำท ำ, ทำเป็นแบบไว้อย่างเราเร า, เรามาดลจะมานี่นะบรรดาสาว บ, บ้านนาบีเน่ยเขาขอดูอ่านอย่ารอ อ, อย่าให้ฉันตายเลย ให้ฉันได้ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนก่อนรุ่มฎอนจะมาเนี่ยนะตัวเองยังแข็งแรงอยู่นะอย่าอัลลอฮ์อย่าให้ฉันอย่าเพิ่งเสียชีวิตเลยให้ได้อยู่ต่อไปได้เข้าเดืดอนรอมฎอน่าได้ถือสินอดพอดวนพอบวชไปได้สักสิบห้าวันอย่าอัลลอฮ์ขอให้มีชีวิตถึงเดืดอนรอมฎอนจะได้บวชให้จบเพราะออกจากรอมฎอนไปแล้วอย่าอัลลอฮ์โปรดรับการถือสินอดของเราที่ผ่านมาทั้งเดือนเขาขอตั้งหกเดือนน่ะ ขอดูอลอ้าวต่ออัลลอฮ์ทูลานุอัลาหนี่อรูปแบบพี่ท่านนบีได้สอนสอฮาบะและสอฮาบะก็ทำเป็นแบบเราก็เอารูปแบบนี้น่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะห้ามดุลิลแล้วพี่น้องเอาต่อมาครับอายาที่ส <c oughs> ี่สิอาฟาอามีนัลลาดีนามากรุสซัยอาตอายานี้ตังการจะบอกคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ย คนที่วางแผนทำลายอิสลามทำลายมุสลิมทำลายอัลกุรอานทำลายสุนนะของท่านนาบีคนที่วางแผนทำลายหมดนะต้องต้องต้ององ่าน ต, ต, ตรงนี้หลายหลยเที่ยวอฟอามีนลีนมะกรุซดบรรดาผู้วางแผนชั่วร้ายทั้งหลายมากักรูแปลว่าวางแผนชัว่ว บรรดาผู้ที่วางแผนชั่วทั้งหลายวางแผนชั่วต้องอธิบายนะทำลายอิสลามเปน้องทราบใช่ไหมนะมีอยู่สิบตระกูลที่ดูแลโลกใบนี้ไม่ใช่แทนอะไนะขานอลัลลอฮ ดูแลโลกใบนี้นะข้านกับอลัลลอฮ์นะสิบนามสกุลตระกูลนี้ดูแลด้านการศึกษาศึกษาอย่างไงไม่ให้คนรัรกอลัลลอฮ์จะวางหลักสูตรอย่างไงให้คนห่างศาสนาอิสลาม ม, มีคนวางไว้เขานั่งประชุมแค่สิบคนนั่นแหละจะให้เศรษฐกิจ จเจริญหรือตกต่ำผู้นี่วางแผนหมดแล้วก็จะอะไรนะจะให้ประเทศไหนทําสงครามไม่เกิดสงครามนี่พี่น้องตอนนี้ประเทศไหนที่ประเทศซีเรียใช่ไหมประเทศซีเรียเนี่ยตายกันเยอะเนะน่ยเมื่อวานเนี่ยอครอมมาอรอมเนะีบ้านคุณคุณซีเรียเนี่ยอครอมเนี่ยอพยพมาอยู่ประเทศไทย แล้วก็ครอบครัวอักรอมไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ซาอุาดารดีแล้วก็ญาติพี่น้องห่างๆไกลนะ่อยู่ไหนซีเรียหมดเลยวันนี้ลำบากมากครับลำบากทํามาหากินกันไม่ได้อ่ะมีแต่สงครามสงครามยิงกันยิงกันรัฐบาลเอาเครื่องบินมาเข็นฆ่าประชาชนถามว่ารัฐบาลคนนั้นคือใครคำตอบเป็นเชีย และเข็นฆ่าใครครับเข็นฆ่าซุนนีร่วมกับวัชบาลอีรานรับๆและอเมริกาสนับสนุนรับๆนี่นี่ไงคุรอ่ญญานอ้ายนี่พูดชัดอาฟะอามินละดีนามะกะรุสัยยบันดาผู้วางแผนชั่วร้ายทั้งหลาย พวกเขาคิดหรือว่าจะปลอดภัยกันนั่นหรืออาฟาอามีนาไปว่าจะปลอดภัยกันนั้นหรือท่านคนที่คิดวางแผนชั่วทำลายมุสลิมหรือทาลายเบา่าวะรอห์ใครก็ตามคนที่วางแผนเนี่ยอลรอห์สัญญานะคุณนะ่ะคิดว่าคุณจะปลอดภัยกันนั่นหรืออ้าวอ า, อาบอะไรบ้างคนที่วางแผนทาลายเนี่ยทำลายคนทำลายาศาสนา ทำลายคำสอนของอัลลอฮ์ทำลายสุนนะนบีหนึ่งอิ ย, ยลลาคซิฟาลฮบิฮิมอัลลอฮ์จะให้พวกเขานั้นแผ่นดินสูบอัลลอฮ์สามารถให้แผ่นดินสูบคนเหล่านั้นได้แบบง่ายได้ เรื่องที่หนึ่งนนี่อาซาบที่หนึ่งะคนที่วางแผนทั้งหลายคิดชั่วชั่วชั่วชั่วชั่ ว, วทั้งหมดเนี่ยอาจาบที่หนึ่งการลงโทษข้อที่หนึ่งคืออัลลอฮจะให้แผ่นดินสูบพวกเขาเหล่านั้นอายติยาหูมุลาซาบหรือหรือการลงโทษอื่นๆ การลงโทษอื่นๆเกิดขึ้นแก่พวกเขามิ้นให้ซูและยาโรูนจากแหล่งใดที่พวกเขาไม่รู้ตัวอดาดบการทรมานของอัลลอ์ข้อที่หนึ่งอัลลอ์พูดชัดเลยจะให้แผ่นดินสูบเขาอันที่สองอาดาบอื่นๆอีกเอาอย่างที่ปีที่แล้วอะไรมาแต่บรรเราเนี่ย น้ำท่วม <c oughs> ใช่หรือไม่ใช่นี่อ่นอนานอานญาณี้เข้าใจง่ายเลยอาจาบอื่นมาหมดน้ำท่วมสองแผ่นดินไหวอ่านจากคดีศหคดีอธิบายอย่างนี้ทะเลมหาสมุทรเนี่ยเข้าฟ้าวาลอยอโลขมืดไหมล่ะ ไอ้คนที่หาปลาอยู่ในเรือเนี่ยมันจะสูดอยู่ต่ออรรถให้ฉั้นขมืดมันไหมใครพูดนะทะเลพูดแล้วก็ภูเขาวาอยอรรถเห็นคนเนี่ยทำสวนทำไร่ทำนาเดินชนกันไหมให้มันตายให้หมดแล้วก็แผ่นดินก็เหมือนกันในแผ่นดินถามวายอรรถเนี่ยยืน อ, อยู่บนชันเนี่ยทรยศต่ออรอทั้งหมดนี่ ละวางแผนทำลายคำสอนของท่านที่ส่งผ่านนาบีมุฮัมมัดมาเนี่ยให้เขาเ ข, ขย่าก็ไม่ให้มันตายไหมแผ่นดินขอร้องน้ำทะเลมหาสมุทรขอร้องภูเขาขอร้องแม่จา่าชันฟ้ากพื่ม่งานอย่ารอฟาพ า, าไหมไหมเราจะเพิ่งเดี๋ย ว, ยวรอ ก, ก่อน ทำไมเพื่น้องถ้าไม่อ่านฮะดีสไม่รู้เลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นะนะเพื่น้องทีนี้อาย่านี้อธิบายชัดนะครับจะนั่นคนที่วางแผนชั่วช้าทั้งหลายอาพูดง่ายๆก็ไอ้คนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยหรือคนมุสลิมที่เป็นแต่แขกไม่เอาศาสนาเนี่ยล่ะถามว่าอัลลอฮ์น่ะมันไส้ไหมแน่นอนที่สุดนะแผ่นดินก็่ามันไส่ชั้นฟ้ากว่ามันไส่ ท้องทะเลก็มันไส้มันไส้อยากจะลงโทษมินไฮสุลายาโอรูนจากแหล่งใดที่ภูเขามาไม่รู้ตัวอัลลอฮพี่น้องในอายะอื่นอธิบายยังไงรู้ไหมเอายุสิลาไลกุมฮาซีบาส่งลมพายุมาเมเ็นไหม ท่านน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยอ่านอายาเหล่านี้น บ, บีรู้ทั้งหมดอยู่ในใจน บ, บีทั้งหมดทุกครั้งเวลาฝนตกตั้งเคราลมพายุมาน บ, บีกลัวเข้ามาสัสยิดเดินเข้าเดินออกอัลลอฮฺวาอุบนบีกลัวทาไมอ่ะก็เพะน บ, บีอ่านอุลัยาเ น, นี้น บ, บีรู้ทีนี้เวลาลมพายุมาแรางๆเนี่ยสําหรับคนมุสลิมทํางานขออุอาต่ออัลลอฮฺ บางคนนี่ไม่ใช่เอามีดขอามีดอย่างฝาจากเนี่ยเอามีดไปแทงฝาจากเอาไว้กันลมอัลลอฮฺอักบารใครสอนเนี่ยไอ้ลงมือปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยทำมาเหนื่อยไหมเหนื่อยหาหมีดก็เหนื่อยอยู่แล้วกลัวก็กลัวแล้วเอามีดไปแทงฝาจากลงมาจะได้ไม่อะไรไง นี่เป็นอกคดีดาเป็นความเชื่อที่ผิดๆทั้งหมดที่ผู้หลังผู้ใหญ่ซ้อนกันมาทงเวลาลงมาให้อ่านดูอาอัลลาฮฺของเอินเนาะอูซูบิกะมินชาลีฮะบะชาลีมาฟีฮะว่าอูซูบิกะมินคอยลีฮะบะคอยลีมต้องขอดูอาตัวอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นเราต้องพึ่งอัลลอฮฺสุภาโนวะตาลาอย่าเอาความเชื่อที่เราได้รับมาจาก คนฝั่งเขาโน้นบ้างให้มาเราก็เชื่อพี่น้องดูคนฝั่งขนี้อีกทีมอัลศาสนาก็เยอะไปหมดพี่น้องท่านดาวต้องอะไรอิงอัลกรุรอานอิงสุนนะของท่านนบีแล้วจะอยู่อลัลลอดชีวิตแบบสานางามเอาต่อมาครับอายาที่สุดท้ายนะเอายาโคซาฮุมฟีตะกัลลูบิฮิม ว่ามหุมบีมาจีซีเอายะโคซาหุมหรือว่าพวกเขาคิดว่าเขาจะปลอดภัยกันนั้นหรือที่พระองค์ยาโคซาหุมที่อัลลอฮ์จะทำลายพวกเขาเอะคอซาแปลว่าเอาคือหมายถึงลงโทษพวกเขาลงโทษแบบไหนครับฟิตะกลูบีหิม ในการสัญจรของพวกเขาอัลลอห์ใช่ไหมขณะที่พวกเขาเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินนี่อัลลอฮ์ลงโทษได้ไหมได้นี่ล่าให้ฟังเลยฟีตะกลลูบิหิมขณะที่พวกเขาอะไรนะเดินหาริสกีอุลมามะอธิบายดีนะกําลังเดินหาฤสกีของอัลอาลอฮ์นั่ละกาลังสอยมะม่วงอยู่ก็ได้ กำลังเดินหางานทำก็ได้หรือกำลังทำงานอยู่ก็ได้กคำคําขับรถแท็กซี่อยู่ก็ได้กำลังทำไร่ทาสวนทำนาอยู่ก็ได้อล๋ลเหลงโทษเขาเหล่านั้นขณะที่พวกเขากำลังเดินไปแสวงหาเหลสกีใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาทั้งกลางวันและกลางคืนลงโทษตหมดเวลาทุกเวลาเลย ท่านคน ต, ต้องกลัวเอาตัวมากครับ <c oughs> ฟามาฮุมบีมอฮจีซีและพวกเขาไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้เพราะง่ายๆนะคมแผนการของอัลลอฮ์ได้ไม่สามารถที่จะคมแผนการจันเหนืออาจจะเอาชนะแผนการของอัลลอฮ์ไม่ได้เลยแม้แต่ น, นิดเดียว นี่ยเราวางแผนไปหมดเอ๊ะทำไมอลัลลอย์ไม่ลงโทษอ่ะคนเ่าเนี่ยทิดานบี ม, มุฮัมมัดมีเปล่ามีที่ลอคราวนบีมุฮัมมัดมีดาครอบครัวนบีมีทำไมอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษล่ะเออมันคำถามดีนะยุมฮิลหุมรุไวเดะอัลลอฮ์เระวิงเวลาไว้ชั่วระยะหนึ่ง ใช่ไหมครูอ่านดีใช่ไหมอยู่มาฮิลฮุมรวยเดหัวเล็กหเล็กอะมันแปลไงนะอัลลอฮฺประวิงประวิงไว้ประวิงเวลาไว้ช่วยระยะหนึ่งไอ้ประวิงเวลาไว้น่ะเพื่อหนึ่งให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวแต่ที่คนจะกลับตัวได้มันต้องพวกเราไปช่วยด้วยไปสอนพอเห็นทางเออครูอัสตะรุลลาภูตั้มมากลับตัว หรือไม่ก็ถ้าไม่กักนั้นกับตัวก็ลงโทษหนักกว่าเก่าเอาต่อมา47อวยโคซาหุมอาลาตาคอฟหรือจากที่พระองค์พระจะลงโทษพวกเขาอาลาตะคาอฟินนี่ไง อ, อีกคำหนึ่งอาลาตาคอฟลงโท ษ, โโทษพวกเขาให้พินาศทีละน้อย อาละตะเขาฟินลงโทษพวกเขาให้พินาธทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยพินาธทีละน้อยอธิบายอย่างนี้หนึ่งให้เงินของเขาลดทีละน้อยละน้อยละน้อยแล้วจนที่สุดหรือไม่ก็ให้ร่างกายของเขาที่เคยแข็งแรงเนี่ยให้ป่วยทีละน้อยละน้อยนอยแล้วตายในที่สุด นี่เพื่การลงโทษฉันนิดหนึ่งนะท่านคนที่ไม่เอาศาสนาต้องนึกฉันเนี่ยนะไม่เอาศาสนานะอลัลลอฮ์เล่าเองเวลาอาลัลลอฮ์จะลงโทษคุณนะ่ะไม่ลงโทษแบบทันทีทันใดหรอกแต่อลัลลอฮ์จะเล่นงานแบบไรนะชาชาอ่ะยังคนที่สูบบุหรี่นี่เชื่ออลัลลอฮ์หรือว่าปฏิบัติตาม อ, าอัลลอฮ์ ออนร้องให้ตายชาชาเป็นโรคอะไรดีโรคปอดไอออกเลือดอย่านอนอย่านออย่าน้อย่านอนอย่านอยเข้าโรงพยาบาลติดต่อกันแปปีเก้าปีเสร็จแล้วอินนาลิลลตายถ้าเตาบ้าตัวก่อนตายอัลฮัมดุลิลละถ้าไม่เตาบ้าตัวล่ะก็เรียบร้อย แค่นั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยสําหรับคนไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์ลดชีวิตทีละน้อยๆน้อยลๆน้อยลๆน้อยๆน้อยอยเป็นการลงโทษนะแต่สำหรับคนฝั่งกรณีคนที่เอาศาสนาการเจ็บไข้ได้ป่วยลดโทษต่างกันนะพี่น้องคนฝั่งกรณีคนที่ทํางานศาสนาทั้งหมดเนี่ยที่ยืนหยัดอยู่กับศาสนาติดต่อกับญาติพี่น้องําลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ทําชั่วฤกษ์ไม่ทำบาป ป่วยยังกับคนไม่เอาศาสนาได้และแต่ว่าป่วยพร้อมคนที่เอาศาสนาเป็นการลดโทษคนฝั่งโน้นไม่เอาศาสนาป่วยเหมือนคนที่เอาศาสนาลดโทษจอเพิ่มโทษเพิ่มโทษ เ, เห็นั้มพี่น้องต้องต้องอธิบายต้องต้องมองให้ออกฉะนั้นเอายาโคซาหูมาแลแต่เขาหรืออัลลอฮจะ ให้เขาพินาศทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยตั้งสิทอธิบายดีไอยั่งคุโสอัมวาละหุมบวอะมภุตะหุมกอลีลันกอรีลันให้เงินของเขาลดทีละน้อยละน้อยละน้อยแล้วหมดตัวในที่สุดหรือให้ป่วยทีละน้อยละน้อยแล้วก็ตายในที่สุดตายแบบทรมานหรือตายแบบไม่ทรมานทรมานสุดๆครับเพราะวิญญาณจะออกจากร่างไปเจอมลายิกาที่มาเอาวิญญาณก็ โอ้ฉันไม่เอาแล้วแต่กลับตัวไม่ทันเนี่ยถ้าอนัลกุรอานในย่านนี้ตรงนึกอลัลลอฮ์นี่เป็นน้องขอบคุณอลัลลอฮ์นะคนที่เอ า, าศาสนาเนี่ยที่เคยมานะหมาดทุกวันที่ ท, ที่มัสกิดอย่แล้วอย่างนะเอาเรื่องง่ายๆแล้วก็ที่มาลมาดที่มเป็นประจำเพื่ออลัลลอฮ์นะใช่แล้วเกิดไม่สบายมาไม่ไหว เกิดไม่สบายแล้วมาไม่ไหวนมาดอยู่ที่บ้านไม่ได้ย pues. ืน nope. ด้วยนั่งนมาดผลบุญเท่ากับท่านพี่น้องมานมาดที่มัสยิดเลยเห็นไมนี่คนฝั่งนี้คนที่ทำงานศาสนาอยู่กับศาสนาของอัลลอ์ออกหาเรื่องชั่วๆทั้งหมดพี่น้องไม่สบายป่วยอยู่ที่บ้านนมาดไม่ได้ยืนไม่ได้ต้องนั่งนมาดผลบุญเท่ากับ มาณาที่มัสยิดของ a ล l a h Subhanahu wa taala ขอบคุณอ l l a h จะทำอยู่เลยละนี่พอเขาอา้าใจกุรานแล้วมันสบาใจทำอยู่เลยละนี่คือต้อเดินตาม Allah สั่งนะฝาอินนารอบบากุมแล้วรออูฟูรอฮีมพระผู้อภิบาลของสูขเจ้าเป็นผู้ทรงเอ็นดู เป็นผู้สงเมตตาเสมอเราอ้ฟุนแปลว่าเอ็นดูเราให้มนตเมตตาเสมอเมตตาใครอ่ะเมตตาคนที่กลับเนื้อกลับตัวไงแต่หลายคนเลิกสูบบุหรี่ตอนหมอบอกว่าลุ่มลุ่งปอดลุ่หมดแล้วเพิ่งเลิอกอล๋อปอดหมดแล้วเพิ่งเลิก ก็ออยังดีนะก่อนตายหงเดือนออยังเลิกหรืทำดูลินขอนอนุญา อ, อาัลลอฮยอาอัลลอฮจ่าหงเดือนนี่ช่วยช่วยลดโทษให้ฉันด้วยเห็นไหมแล้วก็ต้องนึกไอ้ป่วยเนี่ยจะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอหรือเปล่าอยู่เนี่ยพอดันทุรังกับอัลลอมาตั้งกี่ปีสี่สิบปีห้าสิบปีไปน้องเอาพยายามรักษาตัวให้ดีนะ เลิกสูบบุรีให้หมด เ, เดียวนะมรดชนี่แหละพี่น้องฟอินนารบบกุมละรออูฟุอลลอฮ์งเอ็นดูเมตตาใครคนที่ทำอะไรผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวรวมไปถึงคนที่ทำชิริกไปหาโตะระยอมเลิกให้หมดแล้วตาบ้าตัวใหม่มาอยู่กับอัลลอฮ์ตรงๆนะครับคนที่ไปหามอดวงมาดูทั้งหมดนะ คนที่ทำลายศาสนาคนทำลายคนดีคนทำลายคุรานทำลายสุนนะโอ้พี่น้องคนที่ขัดขวางผู้คนไม่ให้เรียนรู้เรื่องของอัลลอฮ์ราซูลทั้งหมดเหล่านี้ต้องเตาบ้าตัวให้หมดนะครับพี่น้องฮะดิษฝากเป็นสุดท้ายนะฮะดิษของท่านอิหม่าบุคารีละมุสลิมก็บอกว่าไม่มีใครหรอกที่จะคนก่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่มีหรอกลาอะฮัดุ อัสบรอาระอาจจะไม่มีใครที่จะทนทนถูกตําหนิอลัลลอฮ์น่ะถูกตําหนิจากประชาชนจากคนเยอะโดยการปฏิบัติของคนบางคนเป็นการตำหนิอลัลลอฮ์เช่นเชื่อว่าอลัลลอฮ์มีลูกอลัลลอฮ์มีภรรยาอลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์ไม่พอใจนะอย่างนี้เนี่ยแผ่นดินว่าอลัลลอฮ์ขมือบไม่ทองทะเลขมือบไม่ ชันฟ้าว่าพามันไหมแล้วอย่าเพิ่อย่าเพิ่มอย่าเพิ่มไปน้องครับทึงลงว่าทั้งหมดเหล่านี้นะเป็นอะไรนะเป็นสายล่ออาสาบทั้งหมดชันฟ้าก็สายล่อล่ออาสาบแผ่นดินก็สายล่ออาสาบแล้วก็เราเนี่ยทําบาปไว้เยอะเดินอยู่บนหน้าแผ่นดินต้องนึกนะครับอ๋อรอเอาหนาวจริงๆอ้าวก่อนจะจบอยากจะฝากท่านไปน้องว่า ที่อัลลอฮฺอารารอูฟุนทรงเมตตาเนี่ยเพราะอัลลอฮฺอยู่มะฮิลูฮุมอัลลอฮฺประวิงเวลาเอาไว้ตนนั้นเอ ง, เ, องเนี่ยที่ไม่ที่ที่ไม่ลงโทษทันทีทัททนใดอะไรนะประวิงเวลาเอาไว้ตนนั้นเองจากนั้นคนที่เข้าใจอย่างนี้ต้องหันไปดูครอบครัวตัวเองบ้างแล้วภรรยาเราหนาดเป่าลูกเรานมาดไหมมีมาศาสนาไหมต้องสํารวจดูตัวเราเองเนี่ย ดีก็เก่าไหมอายุก็เยอะแล้วจสแล้วไมไม่เข้ามัเกยกันบ้างอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสุภานกอัลลอฮุมมาบหมดกัวลลาอิละอิลล์อัอัสตฟิรุกวะตบุอิไลอสลามุอะลัยกุมวรหะมัดุลลอฮวะบรกาตุ